วิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิการแบบที่9วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันหรือวิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เรียกสันส้นๆว่าวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันอันจัดเป็นวิธีคิดแบบที่9นี้เป็นเพียงการมองอีกด้านหนึ่ง ของการคิดแบบอื่นๆจะว่าแทรกหรือคลุมวิธีคิดแบบก่อนๆที่กล่าวมาแล้วก็ได้แต่ที่แยกออกมาแสดงเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากก็เพราะมีแง่ที่ควรทำความเข้าใจพิเศษและมีความสำคัญโดยลําพังตัวของมันเองอันหนึ่งวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้มีเนื้อหารวมอยู่ในสติปฐานสซึ่งจะกล่าวถึงในองค์มรรคข้อที่7คือสัมมาสติด้วย แต่ที่แยกบรรยายก็เพราะเพ่งความหมายคนละแหน่กล่าวคือในสติปัฏฐานการบรรยายเพ่งถึงการตั้งสติระลึกรู้เต็มตื่นอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเป็นไปอยู่กำลังรับรู้หรือกำลังกระทำในปัจจุบันทันทุกๆขณะส่วนในที่นี้การบรรยายเพ่งถึงการใช้ความคิดและ เนื้อหาของความคิดที่สติระลึกรู้กำหนดอยู่นั้นข้อที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ก็คือการที่มีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเห็นไปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คิดถึงสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ากาลังเป็นไปในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้คิดพิจารณา เกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตตลอดจนไม่คิดเตรียมการหรือวางแผนงานเพื่อการภายหน้าเมื่อเข้าใจผิดแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เลยปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนาถ้าเป็นบุคคลภายนอกมองเข้ามาก็เลยเพ่งว่าถึงผลร้ายต่างๆที่พระพุทธศาสนาจะนํามาให้แก่หมู่ชนผู้ปฏิบัติกล่าวโดยสรุปความหมายที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับปัจจุบัน อดีตและอนาคตสำหรับการใช้ความคิดแบบที่9คือวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้มีดังนี้ 1. ความคิดที่ไม่อยู่กับปัจจุบันคือความคิดที่เกาะติดอดีตและเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้นมีลักษณะสำคัญที่พูดได้สั้นๆว่าเป็นความคิดในแนวทางของตันหาหรือคิดด้วยอนานาจตันหาคิดไปตามความรู้สึก หรือใช้คำสมัยใหม่ว่าตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์โดยมีอาการหวนละห้อยหวยหาอาลัยอารณ์ถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะความเกาะติดหรือค้างคาในรูปใดรูปหนึ่งหรือเคว้งคว้างเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปในภาพที่เพอ้อฝันปรุงแต่งซึ่งไม่มีฐานแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันเพราะอึดอัดไม่พอใจสภาพที่ประสบอยู่ปรารถนาจะหนีจากปัจจุบัน ส่วนความคิดชนิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะที่พูดสั้นๆได้ว่าเป็นการคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วยอํานาจปัญญาถ้าคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วยอํานาจปัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้หรือเป็นเรื่องล่วงไปแล้วหรือเป็นเรื่องของการภายหน้าก็จัดเข้าในการอยู่กับปัจจุบันทั้งนั้นดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า ความรู้การคิดการพิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็าตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความสำคัญตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดับตั้งแต่ในระดับชีวิตประจำวันเช่นการสั่งสอนเกี่ยวกับบทเรียนจากอดีตความไม่ประมาท ร, ระมัดระวังป้องกันภัยในอนาคตเป็นต้นจนถึงในระดับการรู้แจ้งสัจธรรม ตลอดจนการบำเพ็ญพุทธกิจเช่นรู้อดีตด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณรู้อดีตด้วยอตีตังสยานรู้อนาคตด้วยอนาคตังสยานเป็นต้นความหมายที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับปัจจุบันอดีตและอนาคตข้อที่สองว่าโดยความหมายทางธรรมในขั้นการฝึกอบรมทางจิตใจที่แท้จริงคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคต ก็ไม่ตรงกับความเข้าใจของคนทั่วไปคำว่าปัจจุบันตามที่คนทั่วไปเข้าใจมักครอบคลุมการเวลาช่วงกว้างที่ไม่ชัดเจนส่วนในทางธรรมเมื่อว่าถึงการปฏิบัติทางจิตปัจจุบันหมายถึงขณะเดียวที่กําลังเกิดขึ้นเป็นอยู่ในความหมายที่ลึกลงไปนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันหมายถึง มีสติทันอยู่กับสิ่งที่รับรู้เกี่ยวข้องหรือต้องทำในเวลานั้นนั้นแต่ละขณะทุกๆขณะถ้าจิตรับรู้สิ่งใดแล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจขึ้นก็ติดข้องวนเวียนอยู่กับภาพของสิ่งนั้นที่สร้างซ้อนขึ้นใน ใ, นใจเป็นอันตกไปในอดีตเรียกว่าตกอดีตตามไม่ทันของจริงหลุดหลงพลาดไปจากขณะปัจจุบันแล้ว หรือถ้าจิตหลุดลอยจากขณะปัจจุบันคิดฝันไปตามความรู้สึกที่เกาะเกี่ยวกับภาพเลยไปข้างหน้าของสิ่งที่ยังไม่มาก็เป็นอันฟุ้งไปในอนาคตโด ย, น, ยนัยนี้แม้แต่อดีตและอนาคตตามความหมายทางธรรมก็อาจยังอยู่ในขอบเขตแห่งเวลาปัจจุบันตามความหมายของคนทั่วไปความหมายที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับปัจจุบันอดีตและอนาคตข้อที่สาม ตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้วนี้จะมองเห็นความหมายสำคัญแง่หนึ่งของคำว่าปัจจุบันในทางธรรมว่าไม่ใช่เพ่งที่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกภายนอกแท้ทีเดียวแต่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นนั้นเป็นสำคัญดังนั้นมองอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ตามความหมายของคนทั่วไปว่าเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตก็อาจกลายเป็นปัจจุบันตามความหมายทางธรรมได้ เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันของคนทั่วไปอาจกลายเป็นอดีตรหรืออนาคตตามความหมายทางธรรมดังได้กล่าวมาแล้วสรุปง่ายๆว่าความเป็นปัจจุบันกำหนดเอาที่ความเกี่ยวข้องต้องรู้ต้องทำเป็นสำคัญขยายความหมายออกมาในวงกว้างถึงระดับชีวิตประจำวันสิ่งที่เป็นปัจจุบันคลุมถึงเรื่องราวทั้งหลายที่เชื่อมโยงต่อกันมาถึงสิ่งที่กำลังรับรู้ กำลังพิจารณาเกี่ยวข้องต้องกระทำอยู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกิจหน้าที่เรื่องที่ปรารภเพื่อทากิจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ไม่ใช่คิดเลื่อนลอยฟุ้งเฟอ้อฝันไปกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือติดข้องอยู่กับความชอบความชังหรือฟุ้งซ่านพลานไปอย่างไรจุดหมาย